กำลังพรท่านผู้มีจิเมตตากรุณาใจบุญใจูุศล ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาทำบุญมาลัก บ, บาท มาจำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ออกการกระทำบุญหน้าบาปจำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะเป็นเหตุที่จะนำพาชีวิตของเราให้ขึ้นไปสู่ที่สูงที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญป้อง ก, กันไม่ให้ชีวิตของเราตกต่ำ ไปส่วนที่ไม่ดีที่มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายใจต่างๆเกิดจากการกระทของเราไม่ได้เกิดจากลนฟ้าอากาศไม่ได้เกิดจากบุคคลนั้นบุคคล น, นีน้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ลนฟ้าอากาศ เป็นเพลงตัวกระตุ้นให้เราไปทาสิ่งต่างๆแต่ถ้าเรารู้ว่าการกระทาของเราทําแล้วดีหรือไม่ดีเราก็จะได้รู้จักเด็กเรื่องเช่นการกระทาสิ่งที่ไม่ดีคือการกระทาบาปพรพุทธเจ้าก็สอนให้เราละเว้นอย่าทา ส่วนการทำบุญทำความดีพระพุทธเจ้าก็ ส, สอนให้เราทำพาอจะนำผลดีมาให้กับเราถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปรับผลบาปความสุขความทุกข์ก็อยู่ที่บุญหรือที่บาสนี่เองถ้าทำบุญใจก็จะมีความสุขถ้าทำบาปใจก็จะมีความทุกข์ อันนี้อยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กระทาคนอื่นไม่สามารถมาบังคับให้เราทำบุญหรือทำบาปได้เราเป็นผู้กระทาเองอย่างที่เรากระทากันอยู่ทุกวันนี้เราก็ทำอยู่สามอย่างด้วยกันทำบุญบ้างทำบาปบ้างไม่ทำบุญไม่ทำบาปบ้าง มีสามแบบการกระทำของเราทำบาป ก, ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจทำบุญก็จะทำให้เกิดความสุขใจไม่ทำบุญไม่ทาบาป ก, ก็จะรู้สึกเฉยๆนี่แหละคือเหตุที่ทำให้ชีวิตของเราสุขหรือทุกข์ดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำของเรา การกระทานี้พระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมกรรมนี้แปลว่าการกระทาเรากระทำอยู่สามฐางด้วยกันสามชนิดด้วยกันคือทำทางกายทำทางวาจาและทำทางใจใจคืออะไรใจก็คือผู้คิดการกระทำทางใจก็คือความคิดต่างๆ อย่างวันนี้ก่อนที่เราจะมาวัดได้เราก็ต้องคิดก่อนนะาว่าวันนี้จะมาวัดพอเราคิดแล้วพอถึงเวลาเราก็เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอะไรต่างๆให้พร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางมาวัดพอมาถึงวัดเราก็เอาข้าวของ เงินทองต่าตาที่เราได้เตรียมไว้มาใส่บาตรมาถวายพระมาถวายวัดอย่างนี้ก็เป็นการกระทาที่เรียกว่าบุญการกระทาบุญหรือบาสนี้เริ่มต้นที่ความคิดก่อนเราต้องคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรแต่ความคิดของเราบางทีมันเร็วมากบางทีเราไม่รู้ รู้ไม่ทันพอคิดปับทําเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราคิดเราคิดว่าทําโดยอัตโนมัติแต่การกระ ท, ทําทุกอย่างนี้ต้องอยู่ที่ความคิดก่อนคิดแล้วก็ทําคิดดีก็ทําดีพูดดีคิดไม่ดีก็ทําไม่ดีพูดไม่ดีพอทําไปแล้วก็เกิดผลตามมา ทางใจก็คือความสุขใจถ้าคิดดีพูดดีทำดีถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะไม่สบายใจนอกจากผลทางใจแล้วก็ยังมีผลทางร่างกายผลที่ได้รับจากผู้อื่นเช่นเราไปพูดไม่ดีทำไม่ดีกับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะทำไม่ดีพูดไม่ดีกับเรา ถ้าเราพูดดีทำดีต่อผู้พูดเพราะผู้พูดเขาก็จะพูดดีทำดีกับเรานี่เป็นผลที่จะได้รับจากผู้อี้แล้วยังมีผลที่เราจะต้องไปรับต่ออีกหลังจากที่เราตายไปแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ตัวเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะตัวเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ตัวเราอยู่ที่ใจใจนี้ก็เป็นเหมือนร่างกายแต่เรามองไม่เห็นเพราะเป็นเป็นเหมือนกับมนุษย์ล่องหนใจนี่แหละเป็นกายทย์เป็นร่างทย์ที่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆถ้าเปรียบเทียบร่างกายก็เป็นเหมือนสุนัขส่วนใจก็เป็นเหมือนเจ้าของสุนัข เวลาเจ้าของสุนัขจะไปไหนก็จะพาสุนัขไปด้วยมีมีเชือกรอมีอะไรผูกคอสุนัขแล้วก็ดึงสุนัขไปชวนสุนัขไปแต่เราระหว่างสุนัข ก, กับคนนี่เราเห็นสุนัขเราก็เห็นคนัเราก็เห็ น, น, ตหนแต่ร่างกายกับใจนี้เราเห็นแต่เพียงร่างกาย เราไม่เห็นใจแต่ใจนี่แหละเป็นผู้พาร่างกายนี้เหมือนกับคนพาสุนทไปเดินเที่ยวเียงแต่เรามองไม่เห็นใจเราก็เคยคิดว่าร่างกายเป็นผู้กระทำอะไรเองต่างๆร่างกายนี้ถ้าไม่มีใจร่างกายจะไม่สามารถทำอะไรได้เช่นเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้ว จะไม่มีใครมาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเวลาจะเอาร่างกายไปทำชาปน ก, กิจก็ต้องอาศัยคนอื่นมาแบกร่างกายนี้ไปเข้าโลแล้วก็เอาโลงเข้าไปในเมนแล้วก็เผาจนกายเป็นที่เท่าที่ถ่านไปคนที่เป็นเจ้าของร่างกายนี้ไปที่อื่นแล้ว คือใจไปรับผลบุญและผลบาปต่อไปท่านเป็นผลบุญก็จะได้ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ไปถึงพริพภาเป็นจุดสุดท้ายถ้าทำบาปบาปพาไปก็จะไปอบาย ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกนี่คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรานี่แหละที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะมีกำลังเดินเราไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพร ไปเป็นพระ อ, อริยเจ้าไปถึงพระนิพพานถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกนี่คือใจที่เรามองไม่เห็นกันต้องอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้าที่มีตาทิพย์ ที่สามารถเห็นร่างกายทิพย์ได้พระพุทธเจ้ามี้เห็นร่างทิพย์ของสัตว์โลกทุกชนิดเห็นร่างทิพย์ของพรหมเห็นร่างทิพย์ของเทวดาเห็นร่างทิพย์ของมนุษย์เห็นร่างทิพย์ของเดรัจฉานเห็นร่างทิพย์ของเปรตของผีของสัตว์นรกพระพุทธเจ้าจึงรู้ว่า ทำบุญทำบาปแล้วยังมีผลตามมาต่อไปไม่ใช่พอร่างกายตายไปแล้วจะไม่มีผู้ไปรับผลบุญผลบาทมีร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปผู้ที่จะรับผลบุญผลบาหนังจากที่ตายไปแล้วก็คือใจใจที่เป็นร่างทิพนี้ที่เรามองไม่เห็นกันดังนั้น ถ้าเรายังมองไม่เห็นร่างทิพย์เราจะทำอย่างไรดีเราก็ต้องเชื่อคนที่เห็นแล้วเหมือนถ้าเราเป็นคนตาบอดเราจะต้องเชื่อคนตาดีถ้าเราไม่เชื่อคนตาดีเราก็จะไม่รู้ว่าเราเห็นอะไรมีอะไรอยู่รอบตัวเราเวลาเราไปไหนเราต้องอาศัยคนตาดีพาไปถ้าไม่มีคนตาดี ขอให้มีสุนัขตาดีก็ยังดีสุนัข ก, ก็ยังพาเราไปไหนมาไหนได้นี่แหละพวกเรายังเป็นคนตาบอดอยู่คือตาทิพย์ของเรายังบอดอยู่เพราะเราถูกความหลงความมืดบอดปิดเอาไว้เหมือนกับเวลาที่เขาเอาผ้ามาูปิดตาเรา เวลาเราถูกเต้าอาภามาปิดตาเรานีเราจะมองไม่เห็นอะไรเขาจะพาเราไปที่ไหนเราก็ไม่รู้เพราะเรามองไม่เห็นชันใดตอนนี้ตาไหนของพวกเราคือตาที่มันมืดบอดมันถูกความหลงปิดบังเอาไว้ถ้าเราอยากจะเห็นสิ่งต่างๆเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงเห็น เราก็ต้องเอาความมืดบอดคือความหลงนี้ออกจากตาทิพย์ของเราถ้าเราเอาออกแล้วเราก็จะเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแต่ตอนนี้เราไม่เห็นเราจะเชื่อใครดีเราจะเชื่อตัวเราหรือเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าที่มีตาดีถ้าเราเชื่อตัวเราเราก็จะว่า ทำบุญไปแล้วไม่ได้มีผลตามมาทำบาปไปแล้วไม่มีผลตามมาตายไปแล้วไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปเพราะเรามองไม่เห็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปนี้เพราะเราเห็นแต่ร่างกายเราเห็นว่าร่างกายนี้ตายไปแล้วก็เอาไปฝังเอาไปเผาแล้วก็จบแต่มันไม่จบตรงนั้น เพราะว่าผู้ที่กระทําผู้ที่สั่งให้ร่างกายกระทําบุญทำบาปนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั้นเองดังนั้นในเริ่มต้นถ้าเรายังมองไม่เห็นตัวเรามองไม่เห็นร่างทิปของเราเราก็ต้องอาศัยคนที่เห็นแล้วคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่เห็นร่างทิปของเรา เห็นว่าร่านทิพของเราตายไปแล้วจะไปไหนต่อหลังจากนั้นท่านก็เอามาสั่งสอนให้พวกเราเชื่อแล้วปฏิบัติตามถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามต่อไปความมืดบอดของใจเราก็จะหายไปแล้วเราก็จะเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเพราะว่ามีคนที่เชื่อพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมีจนเห็นตาทิพย์มีเห็นร่างทิพย์ของเขาเปิดตาทิพย์ของเขาออกด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระาจารเจ้าถ้าเราทำบุญเราละบาปเราชำระใจให้สะอาดใจก็คือร่างทิพย์ของเราชำระอะไรก็ชำระความหลงนั่นเอง เอาความหลงที่มาปิดตาทิพย์ของเราให้ออกไปพอตาทิพย์ของเราไม่มีความหลงปิดบางอยู่เราก็จะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเราจะเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นเทวดาเห็นสามนรกเห็นเปรตเห็นผีเห็นพรมเห็นพระอริยเจ้าเห็นพระนิพพานเห็นหมดเพราะว่า เป็นของที่ทุกคนสามารถเห็นได้ถ้าเอาสิ่งที่ปิดตาทิพย์ออกไปสิ่งที่ปิดตาทิพย์ก็คือความหลงเราเึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะความเชื่อของเราจะทำลายความหลงเมื่อทำลายความหลงแล้วเราก็จะเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเราอยากจะ มีแต่ความสุขความเจริญตอนนี้เรายังมองไม่เห็นผลที่จะเกิดจากความสุขความเจริญก็ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าก็คือให้เราทำบุญกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปทำบาปเพราะถ้าทำบาปก็จะทำให้เราต้องไปรับผลบาปผลบาปนี่ก็เป็นเหมือนกลับไปติดคุกติดตาราง มีใครอยากไปติดคุกติดตารางบ้างระหว่างให้ไปเที่ยวกับไปติดคุกติดตารางอย่างไหนจะดีกว่ากันการทำบุญนี่ก็เป็นเหมือนกับไปซื้อตัว๋วเครื่องบินซื้อทัวร์เพื่อที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ ต, ตามประเทศต่างๆถ้าทำบาปก็เหมือนกับไปตีตัว๋วเข้าคุกเข้ า, ขาตารางดังนั้น ขอให้เราเชื่อพุทธเจ้าแล้วทําตามที่พุทธเจ้าสอนสอนตอนนี้หัดทําบุญไปก่อนหัดละบาทไปก่อนอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาทําบุญกันมาละบาทกันมาวัดก็ต้องมารักษาศีลจะมีการสมาทานไม่สมาทานก็ไม่สําคัญสําคัญว่าเราต้องไม่ทําบา จะขอศีลจากพระไม่ไม่ขอศีลจากพระไม่ได้ทำให้เราเกิดศีลขึ้นมาศีลเกิดจากการไม่ทำบาปถ้าขอศีลจากพระไปแล้วไปทำบาปก็ไม่มีศีลอยู่ดีถ้าไม่ได้ขอศีลจากพระแต่ไม่ทำบาปก็จะมีศีลศีลจึงไม่จำเป็นจะต้องมาขอจากพระที่มาขอจากพระเพราะขอ ความรู้ว่าศีลมีอะไรบ้างบางคนเกิดมายังไม่รู้เลยว่าศีลห้ามีอะไรบ้างก็ต้องมาถามพระมาขอศีลจากพระก็คือมาขอความรู้จากพระว่าศีลห้าข้อมีอะไรบ้างพวกเรารู้กันไหมถ้าไม่รู้จะทบทวนให้ฟังข้อที่หนึ่งก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ ไม่เอาของของคนอื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตข้อที่สาไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ประพฤติผิดประเพณีทางเพศทางสังคมประเพณีของชาวพุ่นเหล่านี้ถือว่าจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุตรทธิดาของผู้อื่นจะยุ่งกับภรรยาและสามีของตนเท่านั้น ถึงจะเรียกว่าเป็นการประพฤติถูกต้องตามประเพณีถ้าไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นไปยุ่งกับบุตรทีดาของผู้อื่นเขาโดยที่ไม่ได้ไปสู่ขอไม่ไปทำให้เขามาเป็นภรรยาเป็นสามีของเราให้ถูกต้องตามประเพณีก็เรียกว่าเป็นการประพฤติผิดประเวณีข้อที่สี่ก็คือ ไม่ให้พูดปดไม่ให้โกหกหลอกลวงให้พูดแต่ความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ให้หุบ ป, ปากไม่ต้องพูดใครก็ถามอะไรก็บอกว่าพูดไม่ได้ก็ยังไม่ถือว่าพูดปดเขาถามว่าทำอะไรมาก็บอกว่าพูดไม่ได้กฎหมายบางประเทศนี้เขาให้สิทธิ์กับคนที่เป็นผู้ต้องหา ว่าไม่ต้องพูดอะไรถ้าไม่อยากจะพูดอะไรไม่ต้องพูดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องหาหลักฐานมามัดมาจับเราไปลงโทษแต่เราไม่ต้องสารภาพถ้าเราไม่อยากจะสารภาพเราไม่ต้องพูดก็ได้กฎหมายคือเขากลัวว่าจะถูกบังคับให้พูดทั้งๆ ท, ที่เราไม่กระทำ แต่เรากลัวเขาจะซ้อมเรากลัวเขาจะตีเราเราก็เลยพูดความไม่จริงทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้ทำแต่กลัวว่าเขาจะทรมานเราเราก็เลยยอมยอมสารภาพมีประเทศบางประเทศเขาจะมีกฎหมายให้พวกให้คนที่ถูกจับไปนี้มีสิทธิ์ที่จะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ แล้วก็ถ้าจะพูดก็ปรึกษากับทนายก่อนก็ได้ขอให้สิทธิ์ให้ไปปรึกษากับทนายเพื่อจะได้รู้กฎหมายว่าพูดหรือทำอะไรถูกหรือไม่อย่างไรถ้าไม่มีทนายบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นไม่ควรพูดหรือสิ่งที่เราไม่พูดนั้นเราควรพูดถ้าเรามีทนาย เขาก็จะแนะนำให้เรารู้ว่าเราควรจะพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไรนี่คือเรื่องของการไม่พูดคำเท็จไม่พูดปดถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจเราไม่อยากจะพูดเราก็อยากไปพูดแม้แต่ถ้าเป็นความจริงถ้าเราพูดไปแล้วทำให้เกิดความเสียหายตามมาเราก็อยากไปพูดกระดา ทำเป็นพูดบอกเขาแปลว่าพูดไม่ได้แค่นี้ก็จบแล้วข้อที่หก็คือไม่ให้เสพสุรายามาข้อที่หนี้ความจริงการเสพสุรายามานี้ไม่เป็นบาปแต่มันเป็นอบายามุคมันเป็นเหตุที่จะให้เราไปทำบาปต่อไปถ้าเรา ดื่มสุราแล้วเราอาการเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเราก็อาจจะไปขมโมยของก็ได้อาจจะไปพูดโกรก็ได้เพราะเวลามึนเมาแล้วมันไม่มีสติสตาที่จะแยกแยะว่าเรากำลังจะพูดจะทำบาปหรือไม่ท่านจึงห้ามไม่ให้ดื่มสุราเพราะสุรานี้จะเป็นเหตุ ที่จะทำให้ไปพูดปดจะเป็นเหตุให้ไปทําไปประพฤติผิดประเวณีไปรักทรัพย์ไปฆ่าคู่อื่นนี่คือบาปห้าประการด้วยกันห้าข้อที่ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปถามจากพระอย่างนั้นการสมาทานสีนี้ความหมายที่แท้จริงคือการไปศึกษา ว่าสี่ห้าข้อมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจจะรักษาด้วยการเปล่งวาจาต่อหน้าพระให้พระเป็นผู้เป็นสักขีพยานเพราบางทีถ้าเราบอกว่าจะรักษาเองถ้าไม่มีพยานบางทีเราอาจจะเปลี่ยนใจได้เช่นพอบอกว่าวันนี้จะไม่เด่นสุรา บอกกับตัวเองแต่ไม่ได้บอกกับคนอื่นพอตกเย็นมีเพื่อนมาชวนไปดื่นสุราก็เก่งใจเขาก็เลยไปดื่มกับเขาอย่างนี้ถ้าเรามาขอพระมาบอกกับพระว่าเราจะไม่ดื่มสุราเวลาถึงเวลามีใครมาชวนเราก็จะไม่กล้าอยู่เพราะเหมือนกับเราให้สัญญากับพระไว้แล้ว นี่คือความหมายของการสมาทานศีให้พระเป็นสักขีพยานว่าวันนี้เราจะไม่ทำบาปห้าข้อนี้ไปนี่คือเรื่องของการกระทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำอยู่สองข้อให้ทำบุญแล้วไม่ให้ทำบาปถ้าถ้าเราทำสองข้อนี้ได้ตายไปเราจะมีบุญมากกว่าบา ลาบุญก็จะพาเราไปสวรรค์ชั้นต่างๆแต่เมื่อบุญที่เราส่งเราไปถึงสวรรค์ชั้นต่างๆมันหมดไปเหมือนเหมือนน้ำมันรถที่เราเติมแล้วเราขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันที่เราเติมมันก็จะหมดพอหมดเราก็ต้องแวะจอดสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันใหมบุญที่เราทำนี่ก็เป็นเหมือนน้ำมัน ที่จะส่งให้ใจเราได้ไปเที่ยวตามสวรรค์ชั้นต่างๆพ อ, อบุญหมดเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาเติมบุญใหม่มาเติมน้ำมันใหม่เราก็ต้องทำอย่างนี้ไปไเรื่อยแต่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกเพราะเราเบื่อกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องทำข้อที่สาที่พระพุทธเจ้าส อ, สอนให้ทำ ก็คือให้ชำระใจของเราให้สะอาดให้ชำระความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นพวกกระตุ้นให้เราไปทำบุญไปทำบาปถ้าเราชำระความโลภความโกรธความหลงได้เราก็จะไม่มีตัวกระตุ้นให้ใจเราไปทำบุญทำบาปเราเมื่อเราไม่ทำบุญไม่ทำบา เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานนี่คือข้อที่สามสำหรับผู้ที่เบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรายังไม่เบื่อเรายังอยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ยังไม่ต้องไปชำระใจให้สะอาดก็ได้แต่ถ้าเราเบื่อเวลาเกิดมาแล้วต้องมาแก่ ต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องมาตายไปถ้าเบื่อเราก็ต้องมาชำระใจให้สะอาดการชำระใจก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิต้องอยู่วัดต้องถือศีลแปต้องอดอาหารเย็นต้องไม่ดูหนังฟังเพลงไม่หาความสุขทางร่างกายไม่ร่วมหลับนอนกับสามีกับภรรยา ไม่นอนมากจนเกินไปนอนคืนละสีห้าชั่วโมงก็พอโดยการไม่นอนบนเตียงฟูกหนาๆเพราะถ้านอนบนฟูกหนาๆมันสบายมันจะนอนมากให้นอนบนพื้นแข็งๆเช่นนอนกับพื้นไม้จะนอนเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นแล้จะไดมานั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วความโลภความโกรธความหลง ก็จะถูกกดเอาไว้แต่ไม่ตายจะตายก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นโทษของความโลภของความโกรธของความหลงว่าจะเป็นตัวพาให้ไปเกิดใหม่ถ้ามีปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยว่าถ้าไม่อยากจะไปเกิดต้องอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงเพราะถ้าโลภถ้าโกรธถ้าหลงแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือปัญญาหลังจากที่ทําใจให้สงบแล้วใจก็จะเชื่อฟังปัญญาเพราะใจจะมีกําลังต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกําลังบอกไม่ให้โลภ ก, ก็หยุดมันไม่ได้บอกไม่ให้โกรธก็หยุดมันไม่ได้บอกไม่ให้หลงก็หยุดมันไม่ได้เพราะใจไม่มีกําลัง ต้องสร้างกำลังขึ้นมาด้วยการทำใจให้สงบ ก, การนั่งสมาธินี้จะทำให้ใจสงบแล้วจะมีกำลังสู้กับความโลภความโกรธความหลงพอปัญญามาเตือนใจว่าอย่าทำตามความโลภใจก็จะหยุดทําบอกอย่าทำตามความโกรธใจก็จะหยุดอย่าทำตามความหลงใจก็จะหยุดได้พอหยุดได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป นี่คือใจของทพิจเจ้าของพระอริยสงสาวกที่พวกเราก่าวว่าบูชายึดถือเป็นสาสนะเป็นที่พึ่งทางใจเพราะท่านเป็นตัวอย่างที่เราควรที่จะยึดมาเป็นแบบฉบับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับ ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสารเชื่อพระธรรมคำสอนของพระเจ้าขอให้เราเชื่อแล้วผลที่ดีต่างๆจะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของกามาวันเพื่อมาทําบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อศรัทธา ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพลิกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นั่นมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณะสุขขาภาระโดยทั่วหน้าการเทอ <c oughs>